เดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเดี๋ยวตอบปัญหากันพอจบปัญหาแล้วก็จะได้ฝึกในการเจริญกรรมฐานกันสักหนอ่ง้็ใครมีปัญหาก็ถามมาเลยนะทนช่วงนะี้ถามัยมีปัญหาอะไรจะถามไหมถามที่ไม่ต้องเขียนยนมีไหมไม่มีแล้วนะอ้าวได้อามาเลยเ อ, อ, อาชีพ ทำร้านอาหารต้องสั่งหมูสั่งไก่สั่งปลาที่เขาฆ่าแล้วมาทาอาหารขายถือว่าบาปหรือไม่เออถ้าหากไปเอาอาหารที่ที่มันตายแล้วเนี่ยไม่บาปนะไม่บาปแต่ถ้าไปสั่งอาหารที่ปลาหรือสัตว์ที่ยังไม่ตายเลยบอกเอาตัวนี้เอาตัวนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างนี้เป็น ออคืออย่างนี้นะว่ากรรมเนี่ยจะบอกรายละเอียดอย่างนี้นิดนึงว่าหนึ่ ง, นงคนสั่งให้ไปฆ่าสองคนที่ไปฆ่าสามคนที่ยินดีนั่นจะมีสามกลุ่มนี้แหละอ่ะยังยกตัวอย่างเช่นยกเรื่องจริงเลยนะที่เกิดขึ้นในโลกของเราใบนี้มีผู้ก่อการร้ายระดับโลก เกิดขึ้นข่าวก็โจมตีว่าท่านพวเนี้โหดร้ายมากอะไรก็ว่ากันไปแล้วอยู่ต่อมาทางการเขาเรียกตำรวจโลกใช่ไหมระดับผู้นำโลกที่เขาสมมุติกันในปัจจุบันนี้ก็เอาละสั่งสั่งเลยว่างั้นเถอะมีสั่งหน่วยจราจนจรากรรมหน่วยจรากรมเนี่ยนะ ขึ้นเครื่องบินข้ามประเทศไปเลยแล้วก็โดดล่มลงไปแล้วก็ไปสังหารนี่แปลว่าอะไรคนที่เป็นระดับผู้นำเนี่ยก็ลงนามในคาสั่งทหารหรือหน่วยจรกรรมเหล่านี้หน่วยหน่วยฆ่าหน่วยสังหารนี่ก็ไปตามคำสั่งนั้นแล้วก็ไปฆ่าแล้วต่อมามันอกี้มีคนกลุ่มที่ยินดี ที่คนคนนี้ถูกฆ่าตายมันจะมีสามกลุ่มนช ห, หนึ่งคนสั่งสองคนที่ไปฆ่าสามคนที่ยินดีอ่าคอยดูนะผลกรรมจะเกิดยังไงถ้ากรรมนี้แปลาครบหมดแล้วหนึ่งปจากการไปฆ่าเขาได้จริงจริงด้วยสัตว์มีชีวิตรว่วสัตว์มีชีวิตมีจิตที่จะฆ่าทาความเพียนเพื่อฆ่าสัตว์นั้นตายลงผู้สั่งผู้ไปฆ่าผู้ยินดี กรรมของผู้สั่งเนี่ยถ้ากรรมนั้นให้ผลอกุโสลกรรมนั้นให้ผลคนที่สั่งให้ไปฆ่าเนี่ ย, ย, าาย ก, รกรรมนั้นให้ผลคนคนสั่งเนี่ยถ้าตายแล้วอกุศสลกรรมนั้นให้ผลในวราณาสันการการแก้ตายถ้าไปตายตู้มจะเกิดเป็นสันนรกไอ้คนที่สั่งไอ้คนที่ไปฆ่าฆ่าตามคำสั่งเขาเพราะถือเราทํานานตามหน้าที่ ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรละไปอย่างคนมีกําลังโมหะมีกําลังนี่แหละตายแล้วเกิดเป็นสัตว์นรกเออตายแล้วเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเห็นไหมหนึ่งคนที่สองเนี่ยคนที่ไปฆ่าไอ้คนที่ยินดีใช้โยตายซะได้ก็ดีแผ่นดินจะได้สูงขึ้นสองนิ้วสามนิ้วสามครบว่าไปตายแล้วเกิดเป็นเป็ดหนึ่งสัตว์นรกสองสัตว์เดรัจฉานสามเป็นเป็ดยอม โดยมากยอมอยู่กลุ่มไหน <c oughs> กลุมไหน <c oughs> งั้นต่อไปก็อย่าไปยินดีกับการฆ่าอย่าไปยินดีกับการฆ่าอย่าไปยินดีกับการรักอย่าไปยินดีกับการผูพิจารณาบางทีเนี่ยมันมีคนประหลาดอยู่เนี่ยมันมีอยู่คนคนหนึ่งมันคิดมันวางแผนการ มัน ว, วางแผนการโจรกรรมเน้นวางแผนมานานมาั้โหโขนวางแผนแบบมันอยู่บ้านเขาบ้านเขาอยู่เนี่ยนะแล้วเขาก็ขุดลงไปในใต้ดินเลยขุดขุดขุดขุ ด, ข ด, ขดลงไปเขาใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะขุดแล้วก็ไปโผล่ขึ้นกลางธนาคารนี่ <c oughs> แล้วก็ทําวางแผนเขาตลอดแล้วก็แล้วที่สุดจริงก็ไปโจรกรรมได้ แหมกว่าจะจับได้แทบแย่เลยเนี่ยนพราะจับได้ขึ้นมาเนะี่ยทุกคนพากันโอโหสุดยอด <c oughs> ดีเก่งจริงๆเอาแล้วเคยเชื่นชมคนประเภทนี้ <c oughs> ไหมเคยไม่เคยไอเนี้ยอย่าไปเชื่นชมบาปอย่างเงี้ยนะก า, ารเชื่นชมเนี่ยโดยมากตุะกุล <c oughs> ผู้ชายที่มีเมียน้อย ถ้าภรรยายินยอมยอมรับถือว่าผิดศีลก็สาบหรือไม่ก็ไม่ผิดไม่ผิดเลยเอ๊ะคอไฟเข า, ามีเมียน้อยแปบลบว่ามีเมียมากใช่ไหมเออถ้าะจะให้รู้ตรงนั้นอันนี้ไม่ผิดเดียวไม่ผิดทำไมยังไม่ผิดก็เพราะว่าการยินยอมกันเี่ เรือ่องนี้ไม่ตอบรายละเอียดเยอะเราก็จริงๆมีรายละเอียดเยอะนะี่นี่ตอบแค่นี้ถือว่าไม่ผิดเออนี่ปัญหานี้เป็นปัญหาเออดีถามได้ดียอมเคยไปเข้าปฏิบัติกับผ้าอาจารย์ท่านหนึ่งในคอสอาณาปานสติในแง่วิปัสนานี่ฟังให้ดีนะยอมเนี่ยนะปัญหานี่เนะี่ยกระทบพวกเราเนะ ท่านให้กำหนดรู้ลมหายใจเข้าว่าเกิดรู้ลมหายใจออกว่าดับโดยมีความหมายว่าเวลาหายใจเข้าชีวิตก็เกิดเวลาหายใจออกชีวิตก็ดับอย่างนี้เป็นการเจริญมรณานุสติไปในตัวด้วยหรือไม่ควรบริกรรมแบบนี้หรือไม่คำว่าไปเข้าคอร์สในการเจริญอาณาปณสติ แล้วก็บอกว่าตรงนี้บอกว่าอาณาปะนะในแง่วิปัสนาแนในแง่วิปัสนาอันนี้การการตั้งประเด็นคำถามตรงเนี้ยจริงๆแล้วอาณาปณสติเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาเพราะอาณาปณสติเนี่ยเป็นสติปัฐานได้ทุกบับเลย เป็นได้ทั้งกายานุปัสนาสติปฐานทั้งเวทนานุปัสนาสติปฐานทั้งจิตานุปัสนาสติปฐานเป็นทั้งธรรมานุปัสนาสติปฐานถ้ารายละเอียดถ้าบรรยายในเรื่องนี้ยาวยาวแน่แนทีนี้เอาละถ้าไปบอกว่าเจริญอาณาปณะสติในแง่วิปัสนาเนี่ยอยู่จะไปเจริญอาณาปณะสติปุ๊บแล้วให้เป็นวิปัสนาเลย ไม่ได้ไม่ได้ก่อนเพราะดังได้กล่าวไว้แล้วว่าสมาทิงพิกเวบาวเวถาสมัยตัวยะถาภูตังประชานาติก็แปล ว, ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิเถิดเมื่อภิกษุมีจิตตั้งมั่นแล้วจึงจะรู้ชัดทุกขสัตสมุททยะัจานิโรธาสจานและมรรคสจาามความเป็นจริงอันนี้ก็แปล ว, ว่าในแง่ของ กายานุปัสสนาเนี่ยอานาปนาที่เป็นกายานุปัสสนานี่ mm hmm. ก็มีสมถะ mm hmm. นะเจริญเจริญที่มีสมถะนําหน้าวิปัสสนาตามหลังเข้าใจไหมเจริญสมถะนําหน้าวิปัสสนาตามหลังในแง่ของจตุกาแรกเนี่ยสมถะตามเดินตามหน้าวิปัสสนาจะตามมาที่หลัง mm hmm. ทีนี้บางครั้งที่บอกจเจริญ จเจริญกรรมฐานที่มีวิปัสสนานำหน้าและสมถะาตามหลังก็ออย่างนะแล้วก็สมถะวิปัสสนาควบคู่กันไปอย่างนั้นเป็นต้นอันนั้นไปดูในปฏิสัมพิธามากนี้จะไม่ลงในรายละเอียดตรงนั้นทีนี้ถามต่อว่าออการกาหนดให้รู้ลมหายใจเข้าว่าเกิดรู้ลมหายใจว่าดับโดยมีความหมายว่าเวลาหายใจเข้าชีวิตเกิดหายใจออกชีวิตดับเนี่ยจริงๆตรงนี้ยังไม่ตรงประเด็น ในมรณาสนในปฐมมรณาสนาสติสูตรในทุติยามรณาสติสูตรพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการเจริญมรณาสติว่าผู้เจ้าก็ไปถามพระดูก่อนบิกษูทั้งหลายเธอทั้งหลายเจริญมรณาสติกันอย่างไรพระก็ไปรายงานกับพระเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ข้าพระ อ, องค์เจริญมรณสติอย่างนี้คือข้าพระ อ, องค์เนี่ยพิจารณาว่าตลอดวันหนึ่งคืนหนึ่งข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้เนี่ยดีจริงหนอที่ได้เจริญในพระธรรมคําสอนในศาสนาของพระชินเจ้าเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ระดมความเพียรเป็นต้นเหล่านี้ยข้าพระ อ, องค์เจริญมรณสติอย่างนี้อ้าวก็ถามอีกรูปหนึ่ง รอบหนึ่งก็บอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้ว่าโอ้มีชีวิตยืนอยู่ได้12บชั่วโมงในนี้ยิ่งหนอพอพิจารณาอย่างนี้แล้วก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนพระเจ้าก็ระดมความเพียรเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังบรรลุทําให้แจ้งซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำไม่แจ้งเป็นต้นข้าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้พระเจ้าถามต่อไป เ, ออเธอเจริญมรณะสติอย่างไรบอกว่าตลอดหนึ่งวัน6กชั่วโมงเนี่ย ครึ่งวันคือหชั่วโมงเนี่ยข้าพระองค์เจริญมรณสติบอกว่าโอ้โหชั่วหกชั่วโมงเนี่ยเรามีชีวิตอยู่ได้เนี่ยดีจริงหนอได้มรณาสิการในคําสอนของพระพุทธเจ้าเป็นต้นพระพุทธเจ้าก็ถามองค์ต่อไปตามลำดับอีกองค์หนึ่งก็บอกว่าพอท่านกินอาหารได้มือหนึ่งอิ่มได้มือหนึ่ง ท่านก็มาละลึกว่าโอ้เรามีชีวิตอยู่ได้ที่เราไม่ตายเนี่ยดีจริงหนอที่เราได้มานาสิการถึงคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงเป็นต้นข้าพระองค์เจริญมรณาสติอย่างนี้อีกองหนึ่งก็บอกว่าข้าพระเจ้ากินข้าวได้สี่คำแล้วข้าพระเจ้าก็มาลึกถึงความตายทีหนึ่งบอกว่าข้าพระเจ้าระลึกถึงความตายอย่างนี้แหละก็รายงานพระเจ้าพระเจ้าก็ถามต่อไป อีกองหนึ่งว่ากินข้าวได้คําหนึ่งที่เกินข้าวได้หนึ่งคำลงคอไปเนี่ยมามนาสิการถึงคําสอนพระเจ้าเนี่ยดีจริงหนอะเพราะงั้นเธอะที่เราไม่ตายไปก่อนอีกองหนึ่งก็คือมาพิจารณาถึงชั่วหายใจเข้าและหายใจออกนะชั่วหายใจเข้าและหายใจออกว่าดีจริงหนอที่ชีวิตของเราอยู่ได้ชั่วหายใจเข้าและหายใจออก ก็มานสิการถึงคำสอนของพุทธเจ้าเพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึงบรรลุธรรมที่ยังได้ไม่ได้บรรลุบ่าข่าพระองค์เจริญมรณสติอย่างนี้และฉะนั้นตรงนี้ที่ท่านบอกว่าเวลาหายใจเข้าชีวิตเกิดเวลาหายใจออกชีวิตดับตรงนี้ดูเหมือนจะใช่นะดูเหมือนจะแต่จริงๆแล้วท่านได้บอกว่า กระแสชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่ชั่วหายใจเข้าและหายใจออกไม่ใช่หายใจเข้าแล้วเกิดหายใจออกแล้วดับแท้ที่จริงชั่วหายใจเข้าและหายใจออกเนี่ยชีวิตมันตายได้ทุกขณะตายได้ทุกขณะแต่การเจริญมรณสติเนี่ยดีจริงหนอให้มนตริการมันจะได้ตื่นตัวขึ้นมาจะได้ไม่ประมาทว่าเรามีชีวิตชั่วอยู่ชั่วลมหายใจเข้าลมหายใจออกได้ ฉะนั้นเราจากยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมยังกุศลให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทยังประโยชน์ตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทก็ระดมความเพียรให้เต็มที่โดยเอาลมหายใจเป็นประมาณอันนี้เป็นมรณสติได้แต่มรณสติไม่ใช่วิปัสนาเป็นสมถกรรมฐานไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานเป็นสมถกรรมฐาน ทีนี้ถ้าถามว่าการที่จะเจริญมรณสติเนี่ยที่จะให้เข้าถึงหมายความว่ า, วาที่จะเป็นตัวตัวกรรมฐานเนี่ยที่จะสามารถยังอุปจาระยังอุปจาระให้ตั้งขึ้นเนี่ยเขาให้เจริญยังไง โยคยีผู้ปฏิบัติเนี่ยถ้าปราถนาจะเจริญมรณาสติกรรมฐานเริ่มจากจริงๆแล้วต้องเริ่มจากอะไรก่อนหนึ่งให้เจริญอ ส, สุภากรรมฐานมาจนชัดเจนแล้วเนี่ยถึงจะมาเจริญมรณาสติได้ดีถ้ายังไม่เจริญอ ส, สุภากรรมฐานเนี่ยคือเดี๋ยวนี่พูดหลักการให้ฟังก่อนเลยนะ ถ้าโยอมปรารถนาจะเจริญอสุภะกรรมฐานมรณานุสติหรือเมตตากรรมฐานเป็นต้นได้ให้ได้อย่างได้ผลนะเอาเป็นกรรมฐานที่เป็นเนื้อเป็นตัวเลยไม่ใช่กรรมฐานที่เป็นสัพพะกะค่ือกรรมฐานมีสองอย่างเขาเรียกสัพพะกะกรรมฐานเป็นกรรมฐานที่ทุงประจำปราถนาในกิจทั้งปวงกับปริหาริกะกกรรมฐานคือกรรมฐานที่เป็นกรรมฐานหลักนะเป็นกรรมฐานหลัก ทีนี้ถ้าหากว่าจะเจริญแบบอาณาปณ ะ, ะเจริญแบบกรรมฐานที่จะเอาไปชิ้นเป็นอันคือเขาเจริญอาณาปาณะก่อนพอเจริญอาณาปณะสติกรรมฐานได้ปฐมฌานได้ทุติยฌานได้ตติยฌานได้จตุทะฌานนะได้ฌานที่สี่พอได้ฌานแล้วต่อมาเนี่ยหรือบางคนเขาต่อโอทาตากระสินด้วย โอทาตะกะสินนี่เขาพิจารณาแสงสว่างเลยนะต่อมาเนี่ยด้วยพลังของของกะสินของตนเองเนี่ยนะเวลาเขาไปดูซากศพนายยมนะเวลาไปดูซากศพเนี่ยเขาใช้แสงแสงของกะสินของตนเองนี่แหละส่องเขา้าใจไหมส่องไปที่ศพแล้วก็มองที่ศพเลยะ ล, ะลึกจนศพนั้นติดเลย ติดความรู้สึกเลยจนซากศพนะั้นเป็นอุคหานิมิตหรือเป็นปฏิภาคคณิมิตก็แปลว่าจนสามารถเห็นศพนั้นเนะ่ยเป็นอุคหานิมิตหรือเป็นปฏิภาคคณิมิตจนติดแล้วนะจนติดตาแล้วเนี่ยจนสามารถตั้งเป็นปฏิภาคคณิมิตแล้วซากศพปรากฏเหมือน บุตรที่ทานอาหารอิ่มแล้วนอนหลับอยู่เนี่ยภาวนาจิตเหล่านั้นน่ะจนเป็นของปฏิกูลเป็นไปตามลําดับคืออย่างนี้บางคนเนี่ยพิจารณาซากศพนี่ยโยมเห็นจนซากศพนอนนอนอย่อย่างนี้นะแล้วจนมนสิยการถึงศพภายในตนและถือถึงศพภายนอกถามว่าศพภายนอกกับภายในคือตอนเองเนี่ต่างกันไหมโยมว่าต่างหรือไม่ต่างต่างหรือไม่ต่าง อา้าวิธีจเจริญก็คือหลังจากได้ภาพนิมิตแล้วเปลี่ยนมนัสการถึงตนเองจนเห็นตนเองเป็นนอนอยู่ตรงนั้นเองไอสอบที่นอนอยู่นั้นกลายเป็นตนเองทันทีเลยคือมองเห็นว่าเป็นซากของตนเองนั่นแหละนอนอยู่ตรงนั้นถ้าอย่างนี้จะยังสังเวคขาให้เกิดขึ้นไหมเกิดไม่เกิดนั่นแหละมองจนเห็นว่าเป็นตนเองนอนอยู่ตรงนั้นแหละ ทีนี้เมื่อเมื่อเจริญอย่างนี้เบียดเสร็จแล้วต่อมายังปฐมฌานให้ตั้งขึ้นได้ทีนี้พอต่อมาเวลาจะมาเจริญมรณานุสติเจริญมรณะสติเนี่ยก็คืออาศัยฌานสมาบัตินี่แหละเป็นฐานพิจารณาศพที่น่าเกลียดไร้วิญญาณแล้วก็ภาวนาจิตตั้งมั่นอยู่กับลมสร้างศพเนี่ยความ ทีนี้เวลาพิจารณาที่ท่านใช้คาว่าบรณังเมทุวังชีวิตตังเมอทุวังเนี่ยความตายของเรายั่งยืนชีวิตของเราเป็นของไม่ยั่งยืนใช่ไหถามว่าเมื่อพิจารณาเห็นศพอย่างนั้นแล้วก็มานาสิการถึงตนเองว่าจะต้องตายอย่างนั้นถามว่ามันจะเกิดความสะเทือนใจไหมเกิดหรือไม่เกิดนั่นแหละให้เกิดว่าความตายของเราในยั่งยืนเนะแต่ชีวิตของเราเนไม่ยั่งยืนเลยอันเราจะต้องตายอย่างแน่แท้ คือตายอย่างนี้เราตัวเราเองจะต้องนอนตายที่ประดุดดังที่เป็นนิมิตหมายที่เห็นซากของตัเองนอนอยู่อย่างนั้นแหละเพราะมันไม่ต่างกันเลยนะศพภายนอกและศพภายในให็นไศพภายนอกคือนอนอยู่นี้กระแสะชีวิตคือภายในก็ไม่ต่างกันเลยชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบแล้วก็มรณะมรณงบอกตายเราต้องตายอย่างแน่นอนมนติการไปอย่างนี้ มานันตการพิจารณาจนจิตนั้นสงบแนบชิดนะจนสามารถยังอุปจาราสมาธิให้ตั้งขึ้นเพราะมรณะสติเนี่ยทำให้ได้อุปจารานจนสามารถยังความสงบบาปอกุศลธรรมมันชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในใจได้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าสำเร็จอะไรมรณานุสติแปลว่าสงบนิวรธรรมตนเองได้ความประมาทพลัง้งเผลอไม่เกิดเลย พอเห็นประดุดดวงตนเองนั้นนอนเป็นซากศพ อ, อยู่ตรงนั้นเนี่ยยองทํายากไหมยากหรือไม่ยากการจะเปลี่ยนศพไม่ยากไหมเปลี่ยนเป็นตนเองไป น, นอนแทนเลยอะได้ไหมเออนั่นแหละอันนั้นแปลว่าจเจริญให้เป็นอันนี้บอกว่าควรบริกรรมแบบนี้หรือไม่ก็อย่างที่บอกถ้าจะให้ เป็นวารนานุสติจริงๆต้องอย่างที่บอกนะอย่างที่บอกวันนี้มีหลักพิจารณาอยู่เอานี้ปัญหาถามว่าเวลาเดินจงกรมเรากำหนดสติตามรู้อาการเดินแทนได้ไหมไม่ต้องรู้ลมหายใจเพราะทำแล้วมันสับสน อยายมยกมือขึ้นที่คนไหนที่ทำแล้วสับสนไม่เป็นไ ร, รอยู่อ๋อสับสนค็ อ, อย่างนี้เหตุผลที่ให้ดูลมเนี่ยให้ดูลมเนี่ยเพราะว่าดังที่ได้กล่าวแต่วันแรกคือต้องการความคุ้นเคยเนาะเพราะโดยส่วนใหญ่แล้วมันเป็นกรรมฐานที่เราอาจจะเพิ่งเริ่มต้น เพราะว่าบางครั้งเนี่ยด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกับลมจริงอยู่นะการดูลมเนี่ยมันละเอียดกว่าดูเท้าดูอาการที่กายที่ไหวไปในในสัมปชัญญะบัปเออในอียบทบับพพุทธเจ้าบอกว่าคัดฉันโตวาคัดฉามีติประชานาติเมื่อเดินก็รู้ชาติว่าวันนี้เราเดินอยู่ นิสินโนวานิสินโนสมหีติปชาณาติเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานั่งอยู่สยาโนวาสายาโนมหีติปชาณาติเมื่อ น, นอนก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรานอนอยู่ทิตโววาทิตโตมหีติปชาณาติเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าบัดนี้เรายืนอยู่พิกษุตั้งรูปกายไว้ด้วยอาการอย่างใดก็รู้ชัดรูปกายนั้นด้วยอาการอย่างนั้น เป็นต้นถามว่าในยาบทบัพาเนี่ยท่านบอกว่าสุนัขบ้านสุนัขจิ้งจอกเวลามันยืนมันเดินมันนั่งมันนอนมันรู้ไหมมันก็รู้เวลามันจะหายใจมันก็รู้เวลามันจะปวดมันจะเมื่อยต่างๆมันรู้หมดแหละล้มตัวลงนอนวิ่งมันรู้หมดแต่การรู้อย่างนั้น ไม่สามารถจกเพิกถอนคำว่าสัตว์เดินคนเดินหญิงเดินชายเดินเป็นต้นได้ฉะนั้นการรู้อย่างนั้นไม่เป็นสติปัฏฐานภาวนายอมปังคำนี้ออกไหมคือเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนยืนก็รู้ว่ายืนทำอะไรก็รู้ถ้ายอมว่าสัตว์เดรัจฉานไม่รู้ไหมพระพุทธเจ้าในคำสอนในสติปัฏฐานสูตรบอกสุนัขบ้านสุนักจิ้งจอก เวลามันยืนเดินนั่งนอนล้มตัวลงนอนมันรู้หมดเลยแต่การรู้อย่างนั้นไม่เรียกว่าเป็นการเจริญสติปัฏฐานเพราะเป็นการรู้โดยสัญชาตญาณรู้แค่สัญชาตญาณเพราะปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นจริงการที่บุคคลที่จะรู้ในการเจริญเอียบบทบับเนี่ยเขารู้ถึงขนาดไหนจึงเรียกว่าเป็นสติปัฏฐาน รู้ยังไงหนึ่งจิตที่คิดจะเดินเขารู้ถึงขนาดว่ากระแสจิตกระบวนการของจิตเกิดขึ้นเป็นจิตประเภทไหนเป็นจิตประเภทไหนเป็นราคะจิตเป็นโทสะจิตเป็นโมหะจิตเป็นความไม่รู้เป็นความไม่โกรธเป็นความไม่หลงเป็นปัญญาเป็นศรัทธาเป็นวิริยะเป็นต้นรู้ความเป็นไปของกระแสจิตทุกอย่าง แต่เชื่อไหมว่าเราไม่สามารถจะฝึกอย่างนั้นได้เลย 2. รู้วายโยธาคือธาตุลมที่พัดผันไปในรกรลชาายอ่ะที่ทำพวกรูปธรรม ท, ทั้งหลายทำกรรมชรูปให้เกิดขึ้นจิตตชรูปให้เกิดขึ้นอุตูชะูประหารชรูปซึ่งมีจิตตชรูปเป็นประธานแล้วก็ยังนอกนั้นก็นยังมีกรรมชรูปมีธาตุดินธาตุน้าธาตุไฟธาตุาตลมสามารถไปแยกย่อยรายละเอียดของกลุ่ม รูปธรรมเหล่านั้นได้ละเอียดละออถามว่ายมว่ามีใครทำได้แบบนี้จริงไหมเบื้องต้นทำได้จริงไหมไม่ได้เลยทำไมเอียบทบัพจึงไปอยู่ในบัพที่สองต่อจากอาณาปณะบัพเพราะเหตุผลหนึ่งเจริญอาณาปณะเนี่ยจนสามารถทาฌานให้เกิดทำสมาบัตให้เกิดหรือทำสมาธิระดับใดระดับหนึ่งให้เกิดแล้ว เอาสมาธิเป็นฐานแล้วก็เดินวิปัสสนาญาณจนแทงตลอดอริยสั จ, จแยกรูปและนามมารมจนละเอียดละ อ, อแล้วจนเห็นนะการาชกายนี้คือขันห้าจริงๆอะโยมเห็นว่าขันห้าน่ะเดินขันห้าน่ะยืนขันห้าน่ะนั่งขันห้านอนขันห้าก้าวไปขันห้าถอยกลับขันห้าคู้เข้าเหยียดออกขันห้านั่นแหละแลตรงแลเหลียว ขันห้านั่นแหละกินดื่มเคี้ยวลิ้มขันห้านั่นแหละทายอุจจาระทายปัสสวะขันห้ายืนขันห้าเดินขันห้านั่งขันหานอนขันห้าตื่นหลับขันห้าพูดและที่นิ่งก็คือขันห้าน่นนิ่งไม่ใช่สัตว์บุคคลนิ่งนั้นการที่จะเข้าไปรู้ความจริงอย่างละเอียดละออจนญาณปัญญาแคล่วคล่องว่องไวเหล่านั้นหยาบหยาดอย่างนี้ยมคิดว่ารู้ได้ไหมทําไมท่านจึงไปวางไว้อยู่ในบับที่สอง แบบที่สามบบที่สี่เป็นต้นก็เพราะว่าหนึ่งท่านถึงวางอาณาปาณะบัพไว้เป็นบัพแรก น, นะโยนะเออเป็นอย่างนั้นเอาล่ะแต่นี้เบื้องต้นเนี่ยเหตุผลตรงนี้ก็คือว่าเอาสมมุติว่าเมื่อเดินก็รู้ว่าเดินเมื่อนั่งก็รู้ว่านั่งเนี่ยถ้าเป็นการ เพื่อจะให้ผ่อนคลายน่ได้เช่นคนไปเดินก็ให้สติอยู่กับการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยทำได้แต่ถ้าถามว่าเป็นวิปัสสนาไหมไม่เป็นไม่เป็นเบื้องต้นไม่เป็นยังไงก็ไม่เป็นก็คือการฝึกฝึกเพื่อจะได้อ๋อไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้มันฟุ้งซ่านได้ยอมยอมเคยไปเห็นใน่นางเขาฝึก เขาฝึกเาฝึกเดินแบบไม่อยอมพวกฝึกเดินแบบเนี่ยเขาเดินได้งามกว่าพวกเราเนี่ยแล้วต้องมีต้องต้องต้องคอยระมัดระวังมากบางคนเนี่ยบางคนต้องใช้ขันน้ำาเยอะเอาขันใส่มือแล้วก็เดินไม่ให้ไปไหนต้องเดินอย่างนั้นเลยต้องค่อยๆเดินไปเดินกลับเดินไปขนาดนั้นนะเคยเห็นไหมล่ะต้องไปฝึกกันอย่างนั้นจริงๆ ท, ห า, ทหารเวลาทหารเหมือนกันเวลาเดินเวลาเนี่ยจะต้องโอ้โหจะต้องให้เรียบร้อยเป็นระเบียบโดยเฉพาะเดินสวนสนามนี่โอ้โหใช่ไหมจะต้องอยู่กับความรู้สึกจะต้องอยู่ตรงนั้นแหละแต่ยอมคิดว่าเป็นกุศลไหมไม่เป็นฉะนั้นการที่เรามาฝึกเดินกันเนี่ย ก็ได้ก็เหมือนคนฝึกเดินเนี่ยเดินไปเดินมาเพื่อให้ไม่ไปคิดเรื่องอื่นฟุง้งซ่านเออใช่แต่ถ้าถามว่าการเดินอย่างนี้ใช่เป็นการเจริญวิปัสสนาหรือยังต้องบอกว่ายังทำไมถึงยังเพราะยังไม่สามารถเข้าไปรู้แม้นา ม, มาทำรูปธรรมแต่อย่างละเอียดละเอาทําไมถึงไม่ได้เพราะจิตไม่มีสมาธิ เมื่อจิตไม่มีสมาธิก็คือจิตยังไม่สะอาดจิตนี้ไม่ควรแต่เอาแล้วเราไปเดินได้ไหมได้เราก็เดินกันทุกวันไงทุกวันนี้เราก็เดินกันอยู่แล้วใช่ไหมเดินไปหยิบของเดินไปทำอะไรก็เดินอยู่แล้ว <laughs> เอ๊ะอามาตอบถูกไหมเออไม่ใช่เอามาตอบตรงประเด็นที่ถามไหมตรงไหมเอาเทนี้ยอมบอกว่า เวลาพอทําแล้วมันสับสนใช่ไหมโยมดูลมสับสนที่สับสนเพราะจะดูอาการเดินด้วยใช่ไหมหรือหรือหรือสับสนยังไงอะขอขอหม่คือพอไปเรียนแต่ละที่พระอาจารย์จะสอนไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะก็เลยจะสับสนว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องอย่างเงี้<อ>ยเพอาะอย่างบางท่านจะสอนมีสเต็ป บางท่านสอนไม่มีสเต็ปก็เลยงงค่ะออมแล้วตอนนี้ต่อไปแล้วพอชัดเจนได้ยังก็คือเราสนใจโฟกัสที่ลมหายใจแต่เรื่องอิเลียบทก็ปล่อยไปเป็นตามธรรมชาติหรือเปล่าคะมาใช้คำว่าเหมือนแม่โคและเรียมหญ้าตาชํำเหลืองดูลูกน้อยเหตุผลที่ต้องให้ดูลมหายใจนั่นก็เพราะว่า ชีวิตของเราที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ค่อยชํานาญในการไม่คุ้นเคยอยู่ทำยังไงหนอเรามีเวลาน้อยเหลือเกินและเวลาเจอครูบาอาจารย์เจอกัลยาณมิตรก็ไม่ค่อยมีเวลานานนักงั้นเราก็ฝึกให้เต็มรูปแบบที่จริงถ้าถามว่าในขณะที่เดินทําไมใจเราไม่อยู่กับการเดินแล้วอย่างนี้ถือว่าเราเราทิ้งไหมบอกไม่เกี่ยวก็เหมือนนี่ยอมว่า เหมือนเหมือนกรณีที่เราบอกว่าปัจจุบันปัจจุบันเนี่ยยอมเชื่อไหมว่าการอยู่กับปัจจุบันในปจจในขณะเนี่ยยากเพราะคําว่าปัจจุบันในความเข้าใจของเราเนี่ยยากเช่นในขณะเดินแล้วก็อยู่ในในยาบทเดินเนี่ยบางท่านก็บอกว่าเนี่ยปัจจุบันแล้วยอมมาด้ข้อเท็จจริงมันคืออะไรเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นยอมขณะเดินเนี่ยยอมจะไปโน้นน่ยยอมจะไปเข้าห้องน้ำอ่ะใจยอมต้องคิดไปถึงห้องน้ําก่อนใช่ไหม มันเป็นปัจจุบันได้จริงไหมมันไม่มันไม่ได้หรอกในพื้นฐานเบื้องต้นเนี่ยฉะนั้นหลักการตรงนี้ก็คือว่าในขณะที่เดินเนี่ยนะในขณะที่เดินเนี่ยให้กำหนดลมหายใจเข้าและลมหายใจออกนั้นชื่อว่าเอาสติของตนเองเนี่ยไปใส่ใจดูอยู่ที่ลมเป็นส่วนใหญ่แต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังมารู้เดินนะไม่ใช่ไม่รู้นะ แต่ที่ตั้งใจที่ทําอย่างนั้นเพื่อจะทําให้เกิดความคุ้นเคยในการดูลมเมื่อเวลาไปดูลมแล้วจิตจะได้อ่อนโยนแล้วก็จะได้คล้อยตามในการดูได้ชัดสมาธิได้เกิดเร็วนั่นคือวัตถุประสงค์แต่ถ้าจะไปฝึกในยาบดบับนั้นเน่ยเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วมาว่ากันอีกทีอันนั้นในยาบดเนี่ยเป็นวิปัสสนาล้วนๆ น, นะเป็นวิปัสสนาล้วนๆอันนั้นต้องมาว่าอีกทีดังได้กล่าว อาการต่อไปถ้าปวดในปวดขาในระหว่างนั่งสมาธิให้ดูขาที่ปวดจนหายเจ็บหรือดูที่ลมหายใจอย่างเดิมตรงนี้ให้ดูที่ลมเว้นไว้แต่มันปวดมากๆก็ขยับได้นะขยับเปลี่ยนขาได้ถ้ามันปวดมากๆแต่ให้ใส่ใจที่ลมถ้านั่งสมาธิต่อเนื่องจนได้อุปจารสมาธิขอทราบวิธีการที่ยกจิตขึ้นสู่วิปัสนา ขอเรื่องยาวเลยเอาไว้ให้ได้ขอนดีไหมคือคือจริงๆอาณาปานาสตีเนี่ยท่านในชั้นของอุปจารสมาธิเนี่ยจะสามารถข่มตัวนิวรณ์ห้าตัวได้นะโยมนะคือหนึ่งตอนนั้นกา ร, รมาชันท่าคือความติดใจไปกระสันจะสงบราบคาบเลยถ้ายอมจะชื่นใจมากอาการเหล่านี้มันไม่มีเลย พยาบาทความหงุดหงิดกระทบนั้นกระทบนี้ความไม่พอใจบุคคลอื่นจะระ ง, งับหายไปเลยจะระ ง, งับไปเลยแล้วก็ถีนมิถะความหดหูท้อถอยความซึมเศร้าทั้งหลายจะหายจะเป็นคนที่มีความปลอดโปร่งโล่งโลง่ลงอุทธจารความฟุ้งซ่านลำคาญใจจะหายความลังเลสงสยัยไม่เชื่อมั่นในศึกขาสามจะหายอันตรธานไปเลยฉะนั้นตรงเนี้ย ทีนี้ถ้าอุปจาระสมาธิเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแนะนําให้ฝึกต่อไปแนะนําให้ฝึกต่อไปเพื่อจะทําให้เกิดความตั้งมั่นเพราะตอนนั้นนได้เฉียดเขาเรียกว่าอุปจาระนี่เฉียดอัปปนาแล้วก็ฝึกต่อไปที่จะทําให้จิตนั้นเข้าถึงอัปปนา<ๆ>เพื่อให้ได้กําลังของสมาธิที่ตั้งมั่นเมื่อได้กําลังของสมาธิที่ตั้งมั่นเนี่ยต่อไปก็ฝึกจนชํานาญเมื่อฝึกจนชํานาญแล้วต่อไปเวลาจะน้อมจิตไป เพื่อจะเดินกรรมฐานอื่นสมมุตินะเอาละเรายังไม่เดินเข้าสู่พิปัสนาก่อนที่จะเดินเข้าสู่พรหมวิหารจะเดินได้คล่องมากเพราะจิตอ่อนโยนควรต่อการงานแล้วน้อมจิตไปในเมตตาในกรุณาในมุทิตาในเวขาจะน้อมจิตไปในพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณจะน้อมได้คล่องมากรับแปลว่าถ้าสาเร็จอาณาปันนาแล้วเดินกรรมฐานหมวดอื่นจะชนานาญมาก แล้วเวลาเดินเข้าสู่วิปัสสนาญาณ น, นี่จะมีฐานท่านออปมานิยมว่านักรบนักรบเนี่ยเวลาสมัยสมัยโบราณเวลาออกรบเขาจะมีกำแพงนะียอมนะกำแพงเนี่ยแล้วจะมีประตูเมืองฉะนั้นเวลาข้ขาศึกมาก็มามาท้าทายอยู่หน้าประตูยอมไปดูใช่ไหมอยู่หน้าค่ายเวลาเขาจะออกรบกันก็เปิดประตูเข้าไปแล้วก็ขี่ม้า ก, ก็ดีหรือว่า อ, อาวุธยึดโทปรปรณ์ถือโล่ถืออับกระบองถืออาวุธเข้าไปแล้วก็ไปต่อสู้กันแต่การต่อสู้กันมันชนะกันได้วันเดียวไหมไม่มีทางฉะนั้นพอสู้กันไปสู้กันมาพออ่อนล้าแล้วอ่อนร้าแล้วนายยมนะยอมต้องถอยกลับเข้ามาหยุดพักแล้วปิดประตูเมืองพอปิดประตูเมืองเบีดเสร็จแล้วทําไงต่อก็มาหยุดพักกินน้ํากินอาหารแล้วก็นอนพักให้มีแรง พอหลังจากมีแรงแล้วต่อมาก็ลั่นละคังลั่นกองลบเปิดประตูไปสู้กันใหวใช่ไหมเอาละสมาธิเหมือนการเข้ามาอยู่ในเมืองและพักพักกินน้ำพักผ่อนนั่นคือการอยู่ในสมาธิแต่วิปัสสนาเหมือนการเปิดประตูเมืองเข้าไปไปต่อสู้กันคือไปต่อสู้เหมือนกันเลยยอมนั่นแหละทีนี้มันต่อสู้กันน่ะ ยอมลองคิดดูอ่าถ้ายอมจะเจริญวิปัสนาล้วนๆนะแล้วยอมไม่มีที่พักแในข้อเท็จจริงอ่ะคนที่ออกลบทั้งวีทั้งวันยอมคิดว่าไปไหวไหมถามหน่อยยอมไปพักตรงไหนยอมนอนหลับเลยใช้การนอนเป็นการพักใช่ไหมไม่ใช่นะผู้ปฏิบัติเนี่ยเขาใช้สมาบัตใช้สมาธิเป็นจุดพักเป็นตัวพัก ฉะนั้นอย่าแปลกใจว่าวิปัสสนาในยุคนี้จึงทำลายกิเลสไม่ได้เพราะโดยข้อเท็จจริงแล้วไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะสู้ได้ทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีโดยไม่พักมากินข้าวกินน้ำไม่มีไม่มีในโลกแต่ทำไมพุทธเจ้าจึงสอนเรื่องสมาธิสมาบัติเอาไว้นั้นเอาไว้เป็นที่พักรบ พักยิ่งเข้าสมาบัตนานเท่าไหรกําลังของสมาบัตจะแรงและน้อมออกไปไปสู้แล้วโอกาสชนะมันสูง <c oughs> พ่อจะมองเห็นหรือยังโย่เอาสําคัญหรือไม่สําคัญสมาธิสําคัญไหมถามหน่อยตอนนี้โยมมีอะไรเป็นเครื่องอยู่มีวิหารธรรมมีมีสมาบัตอะไรเป็นเครื่องอยู่มีไหมอา้าวตอนที่อยู่ธรรมดาที่ไม่ได้ไปวิจัยขันธ์าตุยัญชนะ แล้วตอนนี้ยอมเวลาอยู่นิ่งๆยอมอยู่กับอะไรไม่มีเลยพวกเราเนี่พยพระเจ้าบอกว่าอนาฐานะอนาถาไม่มีทิพยวิหารทิพยวิหารคือฌานสมาบัติพรหมวิหารก็คือพรหมใช่หมก็คือเมตตากรุณารมเครื่องอยู่อย่างพวกเราก็มีอะไรละอียาบทวิหาร มียาบดเป็นเครื่องอยู่ไงอยู่ในยาบทยืนบ้างเดินบ้างนั่งบ้างนอนบ้างแต่ตอนนั้นใจปเป็นยังไงฟุ้งพอจะเข้าใจได้อย่างแต่นนี้นะ่ยอมว่าสมาสมาธิสําคัญไหม <laughs> นี่ตอนนี้ไม่มีเครื่องอยู่ใช่ไหมยอมไม่มีอาต่อไป หากปวดขามากจนไม่อาจจะทนและไม่มีสมาธิดูลมสามารถใช้วิธีหายใจเข้าลึกๆ ก, กั้นลมหายใจออกยาวๆสักหนึ่งครั้งเพื่อเรียกสติกลับมาอยู่กับลมหายใจได้ไหมวิธีนี้ผิดหลักการปฏิบัติหรือไม่ที่จริงที่จริงการทำอย่างนี้เนี่ยไม่ได้ผิดหรอกแต่ระวังว่า ถ้าทำแล้วมันจะทำให้เราหายใจผิดปกติหรือไม่ต้องระวังนะแค่นั้นแหละเพราะบางคนไปทำแล้วเลยติดเลยใช่ไหมเดี๋ยวจะผิดหายใจผิดผิดจังหวะเออในพระศาสนาบางทีท่านก็มีนะวิธีการที่จะข่มพวกแต่วิธีการเนี่ยก็คือถ้ามันปวดขามากจนเกินไปเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ เ, ออเห็นไหมว่าตอนนี้กําลังของสมาธิยังไม่แข็งแรงเนี่ยอาการปวดขาค่อนข้างจะเยอะนะอาการปวดขาค่อนข้างจะเยอะเรี้ยนถามท่านอาจารย์ว่าจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้สมาธิของเราเป็นขั้นไหนคณิกาอุปจาราปะปัญญบริกรรมมาสมาธิเนี่ยเขาจะมีนิมิตหรือคณิกาสมาธิเขาจะมีนิมิต ข, ข, ของเขา เป็นตัวรองรับตัวบริกรรมมาสมาตัวบริกรรมมาวนมิน <ery Lindsey>. ิมิตเนี่ยถ้าเป็นอารมณ์ของคณิการสมาธิเบื้องต้นเนี่ยถ้าถามว่าจะรู้ได้อย่างไรก็บอกรู้ได้รู้ได้ด้วยที่ว่าเมื่อผู้ปฏิบัติเนี่ยโดยส่วนใหญ่ในเมื่อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยกําลังของสมาธิเนี่ยมีกําลังได้ระดับหนึ่งลมหายใจเนี่ย อาการนิมิต ท, ทั้งหลายก็จะปรากฏเกิดขึ้นดังที่ได้บอกว่าเป็นสีเทาๆถ้าในกรณีอย่างนี้แปลว่าลักษณะของคณิการสมาธิและถามว่าสังเกตได้อย่างไรที่บอกเมื่อวันก่อนบอกว่าตอนนั้นบาปอกศุศลธรรมมันชั่วร้ายทั้งหลายไม่เกาะกุมจิตตอนนั้นจิตจะปลอดโปร่งยอมยอมต้องถามกลับว่ายามใดยอมป่วยกับหายป่วยยอมรู้ไหม ยอมจะรู้ตัวเองไหมว่าตอนนี้หายป่วยตอนนี้ป่วยตอนนี้ปวดหัวตอนนี้ไม่ปวดยอมสามารถรู้ได้ไหมรู้ได้ชั้นใดยามที่จิตมีอกุศลเกาะกลุมกับยามใดที่เมื่อได้ขัิการสมาธิระดับหนึ่งแล้วเนี่ยคืออาการที่จิตอกุศลมันเกาะกลุ่มกิตมันดับหายไปเลยโยมแต่มันหายได้ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งแล้วมันก็กลับมากม ล, ล, ลุมลุมล้อมอีกถ้าเราไม่ได้ฝึกให้ต่อไปฉะนั้นมันจะรู้อย่างนั้นแหละ เหมือนคนป่วยกับอาการโอ้ตอนนี้อาการป่วยมันหายไปแล้วแต่เดี๋ยวความป่วยมันก็ครอบงามอีกนั้นคนที่มีไข้ไข้ขึ้นเป็นระยะแล้วก็หายไข้เป็นระยะยอมคิดว่าเขารู้ไหมรู้หรือไม่รู้นั้นสมาบัติก็เหมือนสมาธิกั น, เ ม, น, กนเมื่อเราได้สมาธิตอนนั้นจิตจะปลอดโปร่งทุกอย่างเลยแล้วก็จะตั้งมั่นในรมเดียวแต่บางครั้งเมื่อกิเลสเมื่อเราเผลอเหลอะเมื่อไหร่กิเลสก็จะมารุมล้อมอีกก็จะรู้สึกอึอดอัดคับข้องอย่างเดิม ไม่จะเป็นอย่างนี้แต่นี่เขาเรียกว่าเบื้องต้นเนี่ยเป็นคณนิกะถ้าอุปจารสมาธินี่มันจะคมได้ยาวเลยคมได้ยาวเลยแต่จิตยังตั้งมัน่นไอ้ตัวนิมิตนั้นยังไม่ยังไม่แข็งแรงยังไม่แข็งแรงแต่ถ้าเป็นอั ป, ปนาสมาธิเนี่ยนิมิตจะตั้งมัน่นแล้วก็สามารถที่จะฝึกจนสามารถว่าจะอยู่ในนิมิตนั้นได้นานตามที่ปรารถนาได้อันนั้นคึงชั้นอั ป, ปนาฉะนั้นแต่าถามว่ารู้ได้ไหมก็ต้องบอกว่ารู้ได้ เหมือนคนป่วยกับคนหายป่วยเน่เทุกครั้งเผลอเผลอหลุดนับลมหายใจพอกลับมานับเข้าออกอีกก็รู้สึกเหมือนเป็นการบังคับลมแก้อย่างไรตรงนี้ต้องต้องอาศัยกำลังของสตินะอาศัยกองกำลังสติเป็นเรื่องบางทีเห็นไหมว่าขนาดเรานับลมนะหายใจเข้านับหายใจออกเนี่ยหายใจเข้า ออกแล้วนับหนึ่งเนี่ยมันยังเผลอได้ใช่ไหมอันนี้ที่เผลอนั้นบ่งบอกถึงกําลังของสติดีหรือไม่ดีกําลังของสติไม่ค่อยดีนะนั่นตรงนี้ก็ฝึกไปเรื่อยๆยอมเชื่อไหมว่าเมื่อฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยกำลังของสมาธิกําลังของสติจะดีขึ้นจะดีขึ้นขอให้เพียงเราเพียรพยายามนะปลุกปลอบใจของตนเองแล้วก็น้อมว่าเชื่อมั่นว่าพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยทรงบอกไว้เนี่ย ไม่ผิดหวังและเราก็เป็นพุทธบริษัทของพุทธเจ้าเนี่ยสามารถที่จะยังการพูดประพฤติปฏิัติถ้าเห็นแจ้งได้จริงวิธีดูลมหายใจที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไรดูทีละข้างหรือดูพร้อมกันทั้งสองข้างทั้งสองออกพร้อมกันนี่ยมลมหายใจออกพร้อมกั น, นดูดูที่จริงลมหายใจเนี่ยมันจะพร้อมกันนั่นเองหายใจเข้าออกพร้อมกัน ตัวร้อนเผาและก็หัวใจเต้นแรงขณะนั่งสมาธิหมายความว่าตั้งใจและทำผิดปกติและทำผิดปกติไปนั่นเองทั้งเกตยรติเรานั่งปกติธรรมดาไม่ร้อนใช่ไหมแต่พอนังขึ้นมารู้สึกมันเหมือนบังคับเหมือนร้อนไปเลย เ, ยเออตรงนี้ก็พยายามแก้ด้วยการมานาสิการมนาสิการดังที่ได้กล่าวไว้คือทำจิตใจให้เป็นปกติให้เป็นธรรมชาติที่สุด เป็นธรรมชาติที่สุดแล้วทำชันทะทำความพอใจให้เกิดขึ้นนั้นความรักเนี่ยวันไอ้เมื่อตอนกลางวันมีเด็กหนุ่มอามาก็ถามว่าเขาบอกว่าจะไปสอบจะต้องีไปดูหนังสือสอบอามาก็ถามว่าเวลาดูหนังสือเครียดไหมเธอก็บอกว่า ไม่ได้คิดเรื่องนั้นเลยคิดว่าต้องสอบให้ได้เมื่อสอบได้แล้วจะได้งานทำจะได้งานทาจะได้ใบประกาศจะได้จบเนี่ยเห็นไคไปที่เป้าหมายเออกรณ์มานั่งเนี่ว่าจริงๆแล้วคนเจริญอาณาปณสติเนี่ยเขาเห็นจุดหมายเห็นจุดหมายเห็นเป้าหมายเห็นสิ่งที่ตนเองจะได้และจะถึงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุด มันเหมาะสมมันคู่ควรต่อการที่เราจะใช้ความเพียรความตั้งใจเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีควรค่าต่อการบรรลุถึงแค่นั้นมาเกิดความรักต่อประโยชน์ต่อผลที่จักได้แล้วจึงกล้าทุ่มเทชีวิตและจิตใจเ<อ>พราะรู้ว่าสิ่งที่ตนเองจักบรรลุถึงนะมันมีค่ามากมันมีค่ามากกว่าทรัพย์มีค่ามากกว่ายศ มีค่ามากกว่าเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองและมันสำคัญที่สุดกว่าชีวิตเพราะสิ่งที่ได้เนี่ยเป็นธรรมะมรดกเป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์ที่พ่อฝากไว้ให้กับพุทธบริษัทฉะนั้นจึงควรค่าต่อการบรรลุ ถ, ถึงเมื่อได้บรรลุ ถ, ถึงแล้วจะเป็นปัจจัยแก่การนำพากระแสชีวิตสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากกองทุกข์ได้เราก็เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทนั้น เราจึงคู่ควรต่อการที่จะบรรลุถึงสมบัติของพ่อที่ฝากไว้ให้กับบริษัทนี้เมื่อพิจารณาถึงคุณค่านมันจึงกล้าทุ่มเทกายทุ่มเทแรงกายและจิตใจต่อการที่จะเข้าถึงภาวะที่ดีงามภาวะที่ประเสริฐที่เลิ่ที่สุดซึ่งถ้าเราตายแล้วเกิดถ้าเราไม่เจอคำสอนและแนวทางแบบนี้เราจะเป็นเราชีวิตของเราจะเป็นหมนมากแต่ตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ลมหายใจเรายังไม่ขาด กระแสชีวิตเรายังไม่แตกดับไปความเพียรเราก็มีสติเราก็มีศรัท ธ, ธาเราก็มีสมาธิปัญญาเราก็มีอยู่เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ให้เหตุปัจจัยใส่ปุ๋ยรดน้ําพรดิมให้มันเจริญงอกงามเท่านั้นเองแค่นั้นเราก็ให้สิฟังว่ารำรรเนี่เพิ่มศรัท ธ, ธานะเพิ่มความเพียรเพิ่มสติเพิ่มสมาธิและปัญญานะนี่เราก็มานาสิการใส่ใจเพื่อจะเพิ่มอินทรีย์ห้าพละห้า ที่มีอยู่ในต น, นี้เป็นธรรมชาตินี่แหละเมื่อสามารถทำคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นมาได้แล้วเนี่ยจะไม่ท้อเวลาเจออุปสรรคแล้วนจะก้าวไปใจสู้บากบัน่นยิ่งเจอปัญหาเจออุปสรรคเราก็วางใจเราเป็นเพราะเราเรารู้แล้วว่าเป้าหมายที่ไปถึงมันมีประโยชน์มากยอมลองนึกว่าถ้าเราขุดทองเนี่ยนะเรารู้อย่างแน่ชัดว่าเส้นทางที่เราขุดเนี่ยต่อไปเราจะเจอทรัพย์สมบัติ แล้วเจอทองคำแล้วชีวิตของเราจะจะมีความสุขจากการได้ทรัพ์ได้ทองคำนั้นแล้วและลายแทงนี่กระตรงแล้วเราก็ก็ขุดเห็นไหมเราจะไม่ท้อเลยเราจะไม่เหนื่อยเหนื่อยแล้วก็พักพักแล้วก็ทำต่อในขณะที่ทำไปในะจิตก็มีความสุขยิ่งไปเรื่อยยิ่งขุดไปเรื่อยก็แสดงว่าเส้นทางที่เดินไปใช่หมมันยิ่งไกลไปใกล้กลกลจุดหมายปลายทางไปเรื่อย เพราะเราเห็นแนวทางอยู่เราเห็นช่องทางอยู่เราเห็นแนวธรรมะที่พระ อ, องค์บอกไว้อยู่แล้วมั่นใจในพระธรรมคำสอนที่พระ อ, องค์ขีดแนวทางนี้ไว้แล้วก็เดินด้วยความเคารพด้วยความนอบน้อมด้วยจิตที่มุ่งมั่นด้วยใจที่ศรัทธาถามว่าเมื่อเราทำไปอย่างนี้ทำไมจะไม่มั่นใจใช่ไหมเราจะไม่ทำด้วยความเครียด น, นะยอมมาไปสังเกตดู ตรงเพชรบูรณ์เนี่ยเขาไปขุดทองคำมามาก็ไปดูเขาเนะเออมีคนขับรถไปมาบอช่วยไปดูหน่อยสิตอนสมัยก่อนโน้นเนี่ยตอนนั้นเขาให้แต่มนุษย์ให้แต่คนขุดเขาไม่ได้มีไ อ, อ้บริษัทไปสัมปทานเนี่ยนมาไปถามไปดูแต่ละคนเขายิ้มแย้มแจ่มใสทั้งๆได้เหงื่อเขาท่อมกายเลยนะโยนะโคตรใหญ่มากก็ถามว่าย่อมไม่เหนื่อยรอึไม่ลรอครับเพราะได้แล้วคุ้ม อาคมยังไงรู้ได้ยังไงว่าได้เอาคนอื่นเขาได้อ่ะเาคนอื่นเขาได้นะบอกใกล้ๆ ก, กันเนี่ยกดได้ผมก็ต้องมีสิทธิ์ต้องได้เพางั้นแล้วเคยได้หรือยังยังแล้วขุดมากี่วันแล้วเนี่ยผมขุดมาเป็นเดือนแล้วเอนี่เห็นไหมนะเขาเขาไม่ทุกใจเลยนะเหงื่อท่วมกายขุดไปเรื่อยใช่ไหมอันนี้แปลว่านี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ย ภาษารีบุพระโมคะลานะพระอานุนพระมหากัะสปะเยอะแยะหมดอุบาสกอนาถาปิณิกาเศรษฐีนาวิสาคามหาบาศิกาอีกเยอะมากอุบาลีข้าบดีอุค้าข้าวนาบดีเนี่ยอีกมากนับไม่ถ้วนบริษัทของพระเจ้ามีทั้งภิกษุภิกษุณีบาศกบาสิกาก็เขาได้เห็นอยู่ใช่ไหมก็เดินแนวทางนี้แหละเห็นไหมว่าเห็นคนอื่นได้แล้วชื่นใจ ฉันอามาจึงไม่เครียดเวลายิ่งเจริญอาณาปณะสตินี้อามามีความสุขมากอะ่ะเพราะมามั่นใจว่าสิ่งที่ทํำนี่นมันถูกใช่ไหมก็แนวทางมีอยู่ลายแทงมีอยู่พ่อวางไว้ทุกขั้นตอนบอกเข้าไว้ขุดอย่างนี้นะลกูกขุดไปอย่างนี้นะเออถ้าหักเหนื่อยพักพักเสร็จแล้วอย่าประมาทขุดต่อย้ำตอนขุดไปอย่าเครียดนะ ให้วางใจให้มีความสุข ก, ก็แค่เนี้ยถามว่าเราจะท้อไหมไม่เห็นท้อเลยมันยิ่งนี่มันขุดมาได้กี่วันแล้วเนี่ยกี่วันแล้วแม้อามาไม่ชอบใจเลยนะบางคนขุดไปสองสามจึกว่าไม่มีเลยอะ่ะอามาไม่ชอบใจเลยคำพูดแบบเนี้ยใช่ไหม ฉะนั้นเราเพียนเพราะเราเห็นเราเพียนเพราะเรามั่นใจข้อมูลลายแทงพระพุทธเจ้าต้องไม่โกหกเราแน่นอนใช่ไหมแล้วก็คนที่ได้ก็มีสักขีพยานเยอะเยอะมากจะเอาในอดีตหรือเอาในปัจจุบันหรือจะเอาในอนาคตมีหมดเลย มีหมดเลยนะถ้าอยากรู้มานั่งคุยกันแล้วจะบอก <c oughs> ดีไมด่ดีเอา้าผ้าจานช่วยสอนการทาอนาปัญสติในยะบทยืนนอนอยากทราบว่าเดินจงกรมที่ทำทำกันอยู่ส่วนใหญ่ให้รู้ลมดูที่รูปเดินแล้วก็ถ้าเราเดินจงกรมจะทาอนาปัญสติได้หรือไม่ <c oughs> สี่โมงแล้ว เดียวจะไไ ด, ไ ด, ได้สองปัญหาอเ ว, า เ, เวลาเดินเวลาเดินเนี่ยเข้าใจนะโยมว่าอามามาตอบปัญหาที่ทางโยมพายินนิโมนอามามาที่แรกอามาก็คิดแต่ที่แรกแหละ ว, ว่าเอออามาจะตอบปัญห า, ามาเจอปัญห า, ามาจะตอบปัญหาอย่างไรที่หนึ่ง จะตอบแบบไม่ให้กระทบกระทั่งกันอามาตั้งใจเพราะว่ามาเป็นคนไม่ชอบกระทบกระเทือนกับใครนะไม่ชอบกระทบกระเทือนแต่อามาก็บอกเอาละอามาตอบเป็นไปตามพระธรรมนะพระธรรมคือพระเจ้าว่าอย่างไรอามาก็จะว่าอย่างนั้นแหละแต่ประเด็นก็คือว่าทุกคนก็อ้างว่าพรเจ้าเอามาก็เข้าใจอีกนะว่าทุกคนก็อ้างนะอ้าว อามาก็ไม่ค่อยสบายใจหรอกว่าที่จริงโยมก็น่าจะฉันเชื่ออามาเชื่อว่าโยมน่าจะคิดนะว่าเอ๊ะทําไมผู้สอนน่าจะไปนั่งคุยกันก่อนทำไมไมต้องมาทําให้โยมสับสนด้วยใช่ไหมจริงไม่จริงผู้สอนน่าจะไปตกลงกันก่อนว่าเออเนี่ยที่จะเอามาสอนเนี่ยเออตรวจสอบกันก่อนอะไรเนี่ยนะใช่ไหม มาก็เดี๋ยวมาให้ยอมหันไปมองทางโลกหน่อยนะยมเนีะยอมลองสังเกตตัวนะในประเทศเราทุกวันเนี้ยมันจะมีกลุ่มยมอมกลุ่มกกลุ่มขกลุ่มคกลุ่มงกลุ่มจจุ่มชเลยก็ว่ากันไปในหลายกลุ่มเนี้ยนะไอ้บรรดาผู้นํากลุ่มเนี่ยเวลามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเขาไม่ไปคุยกันนะ เขาก็มาคุยกับเนี่ยสมาชิกกลุ่มย อ, ยอมว่าอย่างนี้มันจะยิ่งแตกออกไหมมันจะยิ่งเป็นกลุ่มไหมใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนี่นี่คือปัญหานี่แหละปัญหายอมมองว่าเออ จริงๆแล้วเนี่ยยมเนี่ยยมที่ฟังธรรมะนี่นะยอมจะต้องตรวจสอบผู้พูดเมือนิ่นมาเนี่ยยอมจะต้องเป็นคนตรวจสอบอาตมาในสมัยครั้งพุท ธ, ธกาลมีพระพระไปบอกว่าตนเองจักบรรยายบรรยายนี่ก็ไปบรรยายพอบรรยายแล้วบรรยายไม่ถูกยอมก็ยกมือท้วงขึ้น <c oughs> อ่ะพระกุณเจ้าพูดไม่ถูก พระบรมศาสดาผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นพระ อ, องค์พูดอย่างนี้ทําไมพระคุณย่าพูดอย่างนี้คือแต่ก่อนเนี่ยพุทธบริษัทแข็งแรงอย่างนี้ไงฉะนั้นพระมาสันส น, นากรโยมเนี่ยแปลว่าชัดเลยแต่ทุกวันเนี้ยต้องเข้าใจว่าการศาสนาผ่านมาแบบเนี้เนาะเพราะล้มลุกคุกคานมาเยอะมากใครที่เข้าถึงข้อมูลบางส่วนก็พูดได้บางส่วน คนที่เข้าถึงข้อมูลได้สองส่วนก็มาพูดได้สองส่วนใครเข้าถึงข้อมูลได้มากก็ได้มาพูดได้เยอะบางคนเข้าถึงข้อมูลแล้วไปเข้าใจข้อมูลผิดก็เอามาบอกผิดอันนี้เป็นเรื่องปกติอันนี้ให้ให้เข้าใจอย่างนี้เอามาพูดตรงนี้เพราะประเด็นคาถามตรงนี้มันมันคาบเกี่ยวกันนิดนึงคือคาถามว่าพระอาจารย์ช่วยสอน การทำอานาปณะนในียบทยืนนอนเดินเป็นต้นเหล่านี้ที่ทำทำกันอยู่ส่วนใหญ่ให้ดูลมหรือดูที่รูปเดินบอกจะให้ดูลมหรือดูที่รูปเดินดังที่ได้บอกว่ามาพูดคำว่าียบทบัพระแล้วในียบทบพระเนี่ยเป็นวิปัสนา สมาชัญญาบัพเนี่ยเป็นวิปัสนาล้วนๆเมื่อสมเมื่อเป็นวิปัสนาเนี่ยนะไอ้คำว่าเป็นวิปัสนาเนี่ยหมายความว่าที่บอกว่าเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าบัตรนี้เราเดินเมื่อยือนก็รู้ชัดบัตรนี้เรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดบัตรนี้เรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดบัตรนี้เรานอนคำว่ารู้ชัดนั้นน่ะท่านบอกว่าสุนักบ้านสุนักจิ้งจอกได้พูดไปแล้วเวลามันเดินยืนนั่งนอนมันก็รู้ แต่การรู้อย่างนั้นน่ถ้าพูดกับมุมยอมจะเข้าใจทันทีเลยนะไม่ถ้าถ้ารู้อย่างนั้นยอมคิดว่าถ้าเดินอย่างนี้แล้วเป็นวิปัสสนายอมคิดว่าทุกคนน่ะเขารู้หมดนะว่าเขากำลังเดินเขาจะเดินไปเสื้ออาหารเดินไปทำแรงต่างเขาเขารู้ว่าเขาเดินและการเดินอย่างนั้นน่ไม่ได้เป็นวิปัสสนาเพราะเดินอย่างนั้นไม่ได้ถ่ายถอนสัตตสัญญาความเป็นสัตบุคคลได้ และการเดินอย่างนั้นไม่ได้ถ่ายถอนอัตตาสัญญาการถอนอัตตาตัวตนได้เลยอย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้สัตว์ได้ฉานก็รู้ว่ามันยืนเดินนั่งนอนและล้มตัวลงนอนแต่การรู้อย่างนั้นไม่ถ่ายถอนเพราะไม่เป็นวิปัสสนาญาณเพราะอะไรเพราะท่านเหล่านั้นไม่สามารถแยกแยะไม่แยกแยะรูปธรรมอย่างละเอียดละอ่ที่เป็นอนูจิวจิวได้เลย ไม่สายม า, ย า, ย า, ยารถแยกแยะกราบทั้งหลายที่เป็นธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟธาตุลมสีกิน่นรสโอชาธาตุได้และที่แปลกไปกว่า น, นั้นก็คือว่าการการเดินอย่างนั้นน่ยไม่รู้เลยว่าจิตที่คิดจะเดินนั้นเป็นจิตกลุ่มไหนโลภะก็ทําให้เดินได้เช่นโลมอะ่ะโทสะก็เดินได้เช่นโกรธจะไปด่าใครเงี้ยโมหะก็เป็นเขี้ยที่เดินได้เดินแล้วไม่รู้ อย่างคนเขาเดินกันทั่วไปเนี่ยโยมก็เห็นเดินใช่ไหมน่ยโยมเดินเข้าเดินออกก็เห็นกันอยู่แต่ถ้าถามแบบนี้เป็นวิปัสนาหรือ ย, ยังก็บอกไม่เป็นไม่เป็นแต่รูปแบบที่โราอะรูปเดินรูปเดินเนี่ยเป็นสำนวนเป็นคาพูดเนี่ยโมว่ารูปเดินเนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยหนึ่งจิตที่คิดจะเดินต้องรู้กระบวนการของจิตทั้งหมด ที่เป็นปัจจัยต่อการเดินสองจิตตชววายโยธาธา ต, าตลมทั้งหลายที่พัดผันไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ต้องเห็นเห็นประจักษ์นะต้องเห็นธาตุลมเคลื่อนไหวจริงจริงด้วยสามต้องเห็นกลุ่มรูปประทามทั้งหลายคือดินน้ำไฟลมที่เกิดจากจิตกระบวนการเหล่านั้นต้องเห็นด้วยสีก็ต้องเห็นกลุ่มกรรมชรูปอุตตชูปอาหาระชะรูทั้งหลายที่เป็นที่มีจิตตชะรูปเป็นประธาน ที่ชักพานําการเดินแล้วรูปธรรมเหล่านั้นแตกดับตลอดเวลาก็ต้องเห็นด้วยยอมว่าจิตธรรมดาเห็นได้ไหมเนี่ยนั่งกันอยู่เห็นได้จริงไหมเราต้องยอมรับความเป็นจริงแล้วมันเห็นไม่ได้เหตุผลที่เห็นไม่ได้เพราะตอนนี้จิตมันมีกิเลสหมักหมมอยู่เหตุผลที่จิตมีกิเลสหมักหมมอยู่เพราะจิตไม่มีสมาธิ ทำไมจิตจึงไม่มีสมาธิเพราะไม่ได้ฝึกให้ได้อุปจารและอัปปนางไงและทําไมจึงไม่ได้อุปจารและอัปปนาเพราะกุศลศีลไม่ดีเห็นไหมมันจะลากกันลงไปอย่างเงี้ยลมนี่นี่คือเหตุผลว่ายังไงก็ไม่เป็นถ้าอย่างเนี้ไม่เป็นทีนี้ประเด็นก็คือว่าเอาแล้วทาไมถึงบอกว่าให้ดูลมเพราะตอนนี้เรากําลังจะฝึกให้จิตนิ่ง ให้จิตเป็นสมาธิเพื่อเป้าหมายต่อการเพื่อจะได้เข้าไปวิจัยตัวนี้แหละเมื่อโยอมได้สมาธิแล้วต่อไปต้องวิจัยแน่นอนเรื่องเอียบทแต่โยมจะไม่เหนื่อยแบบนี้เลยอันนี้มาพูดก็พูดไปแต่โยมจะไม่เห็นหรอกพูดไปก็เป็นได้ทฤษฎีเป็นหลักการเป็นวิธีการเนี่ยแต่โยมทำไม่ได้เพราะยมไม่มีสมาธิอา้าใครบอกว่าทาได้ทาได้ แต่ไปทําจริงๆจะทํำยังไงโดยรูปแบบได้นะให้ไปเดินนิดเดินได้เนี่ยจะจับพวกเราฝึกเดินกันยังไงได้ทั้งนั้นแหละแต่ยอมเชื่อหมายว่าพอออกไปก็จะเห็นกันต่างๆด้วยสัญญาของบุคคลไม่เหมือนกันเห็นกันต่างๆแล้วก็จะต้องมาแก้ปัญหากันแต่ละบุคคลเพราะทั้งหมดคือจิตยังไม่เป็นสมาธิ อ, าธอะไรนะ เออก็ก็อย่างที่มาบอกว่าคนที่จะไปฝึกฝึกเดินแบบอ่ะเขานิ่งกว่าโยมนะเขาเดินได้ตรงนิ่งและสมาธิเขาดีมากต้องฝึกกันขนาดนั้นเลยนะเดินจนขนาดว่าน้ําไม่หกอ่ะเนี่ยถืออย่างเงี้ยเดินกันจนนิ่งขนาดนั้ น, นยอมว่าเป็นวิบัติน้ำไหมไม่เป็นเพราะเขาไม่รู้ เขาไม่รู้แล้วเขาไม่ได้แยกแยะฉะนั้นถามว่าจะได้สมาธิระดับหนึ่งๆมันก็ได้แต่เบื้องต้นนี่แหละสมาธิในการยืนการเดินการนัง่นงการนอนก็ได้สมาธิแต่ไปเป็นมิจฉาสมาธิหรือสมาสมาธิก็ต้องไปว่ากันอีกทีหนึ่งเพราะมิจฉาสมาธิก็เดินได้สมาสมาธิก็เดินได้อย่างานคนตกปลาเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธิะคนเดินจะไปฆ่าเขาเนี่ยก็เป็นมิจฉาสมาธินะ คนเดินจะไปด่าเขานี่ก็เป็นมิจฉาสมาธินะก็ต้องใช้สมาธิทั้งนั้นแหละในการทําอาหารทำอะไรต่างยอมเอาเออกเอาจับปลาใส่ใ ส, ใส่ใส่กระทะแล้วก็ตั้งมัน่นคอยเนี่ยมันกระโดดใหญ่หรือจับกุ้งใส่กระทะแล้วก็คอยเอาอะไรมาครอบกลัวมันโดดออกเนี่ยตั้งใจอย่างเงี้ยยอมว่ามีสมาธิไหมแต่เขาเรียกมิจฉาสมาธินี่เหมือนการธีเดินเนี่ย เผื่อก็เป็นวิชาสมาธิก็มีสมาสมาธิก็มีนี่ประเด็นเป็นอย่างนี้แหละให้ผ้าจาร์สอนพรหมมิหารสี่อีกรอบ เ, อเดี๋ยวจะเอาไปเอาไปตอนพรุ่งนี้เนาะก็กะวันกันพโยมนิมนต์ไว้ว่าอยากให้พวกเรารู้หลักพรหมมิหารในชีวิตจริงเพราะว่าในหน่วยงานในองค์กรทั้งหลายเนี่ยจะได้ไม่ จะได้วางใจกันเป็นจะได้เกิดความรักความปรารถนาดีความเ อ, อือโทนเอาละหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราจะช่วงอ่าเดี๋ยวแผ่เมตตาหน่ออหังสุขีโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิด อาหังอเวโรโฮมิขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีเวรต่อใครๆเลยอาหังอพยาปโชโฮมิขอให้ข้าพระเจ้าอย่าได้มีจิตคิดพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งใครๆเลยอาหังอานีโคโฮมิ ขอให้ข้าพเจ้าย่าได้มีความทุกกายทุกใจเลย ส, ส, สุขขีอัตนานปริหารามิขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นผู้มีความสุขเถิอดอย่าได้มีเวรต่อกันและกันเลยอย่าได้มีจิตเคสพยาบาทอาฆาตปองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลย จงเป็นผู้มีความสุขรักษาตนให้พ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเถิดน้อมจิตในการที่จะแผ่เมตตาไปให้กับสบรรพสัตว์ทั้งหลายให้ท่านทั้งหลายตลอดถึงเพื่อนสาทำมิกทั้งหลายบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหลายบุคคลที่อยู่ในบริเวณยุอาพุธ นี้ตลอดถึงบุคคลทั่วๆไปให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นผู้มีความสุขปราศจากความทุกข์มีจิตใจเบิกบานปรารถนาทรัพย์ปรารถนายศปรารถนาความสุขคอยสัตว์เหล่านั้นจงสมความปรารถนาในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเถือ